Arahato sama Agavato arahato sammà sambuddhaca nàmodhatsa Agavato arahato sammà sambuddhatsa Nàmodhatsa Agavato arahato sammà sambuddhatsa Asevana jambaranam pandita nancha sevana pūjā ca pū janīyānang karamutta man ti imassa dhamma pariyayasat addhū sādhā yatsamantehi sakkajam dhammo ในโอกาสบัดนี้จะได้ ซึ่งได้ทรงตรัสมงคลคาถาปรรณนาถึง แลว่าด้วยข้อปฏิบัติ วันนี้พวกเราโดยความพร้อมเพียงเป็นส่วนมากหลาย ด้วยปฏิบัติศาสนกิจอันเป็นทุกท่านทุกคน พึงสนในตนของตนเพื่อจะเด่น รำลึกถึงในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราท่านทั้ง ในสิ่งที่เราควรละลึกถึงนั้นของตน และวันนี้อาจจะไม่ วันสําคัญที่พุทธมามะกะซึ่งมีชื่อว่าเป็นวันวิสาขะ ปุณณมีหรือวันวิสาขะปุณณมีดิถี พระซึ่งเรียกว่าเต็มเต็มดวงในวันกลางเดือนหกเรียก ถือว่าเมื่อกล่าวโดยย่อก็คือเป็นวันที่สําคัญวัน พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และได้นาม เหตุการณ์มีอยู่ในวันเดียวกันเดือนเดียวกันประการแต่วันนี้ สำคัญวัดของเราไรได้พาของเรา อารมณ์สบูชาและปฏิบัติบูชาถือว่าเป็นวันเดียว 3 ของวันสําคัญทั้ง 3 วันนี้เรา เราได้เพิ่มการเวลาของกันได้เพิ่มการเวลาของกันอบรมศึกษาและปฏิบัติเพิ่ม อบรมในรอบบ่ายเป็นเวลา 5:00 น. น <5. 00 S 1> หรือ 17:00 <00. 00 S 1> เราได้ขึ้นมารวมกันบูชาธรรมกถาเพื่อเป็น แต่ท่านพ่อแต่ท่านพ่อรวมใช้ 2:00 น. หรือ 4:00 น. รวมใช้เวลาทั้งหมด พระนิเวศแล้วก็สวดวัดย่อกว่าปกติวันธรรมดา คือปทักศิณเวียนเทียนรอบภตุตังก็เจดี 3 รอบแล้วก็ เนพรชัยเป็นต้นเป็นต้นต่อจากนั้นเมื่อ เราก็ได้ฟังธรรมแล้วคือ 24:00 น. น, น. 24 น. เรา สรรพวันหลับอยู่มากไม่น้อยเหมือน ก็เห็นว่าเป็นสิ่งรวนแล้วแต่เป็น สิ่งที่ดีเป็นเรื่องที่นํา แล้วขึ้นมาเจริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถ้า ไม่เห็นว่าคุณความดีมีอยู่ สติเราก็สามารถที่จะมองเห็นประโยชน์และก็ประโยชน์ต่อเนื่องแท้จริงได้ชื่อว่า เราเป็นผู้เตรียมการไว้ด้วยดีเป็นผู้เตรียมการไว้นั้น ย่อมทั้งสิ้นธรรมานุสติทั้งสิ้นเป็น เมื่อใจเครื่องอยู่ของเราอยู่ในธรรมารุสติมีสติคือเครื่องระลึกรู้หรือ เหล่านั้นจะที่ชัดในเรื่องพระ ในเรื่องอะไรก็ตามเรื่องอะไรก็ตามได้แล้ว ระลึกด้วยใจก็ดีได้ชื่อว่าเป็นธรรมมานุสติระลึกถึงพระธรรมด้วยกายระลึกถึง และจะได้ชื่อว่าเป็นกรรมานุสติๆก็ต่อเมื่อการ อยู่กับการกระทําของวาจาของตนอยู่ อานิสงส์อย่างเต็มที่ไม่เกิดเป็นเครื่องอยู่ของจิตใจกันอย่างจริงจังแล้ว จิตใจนั้นย่อมล่มเย็นเป็นสุข กายของเราระลึกถึงธรรมานุสติธรรม เราเดินไปไหนเดินไปเราเดินไปไหนกันนี่ให้ถาม ทำเพื่ออะไรเราปรลภดูการปฏิบัติของพวกเราเกี่ยวปฏิบัติอะไร และการทํานั้นถูกต้องตาม ยาวมากหรือน้อยก็ตามสั้นก็ตามมากหรือน้อยคือความอย่างรู้กับการ ในขณะนั้นเราจะระลึกถึงพุทธคุณลึกอยู่นั้นเรามีเครื่องหยั่งรู้ในการกระทําคิดในจิตของ ความบุญจะเกิดหรือไม่เกิดมันอยู่ตรงนี้บุญจะ อานิสงส์จะเกิดหรือไม่เกิดของธรรมารุสติจะเกิดหรือไม่ พร้อมและจิตใจกายและวาจาและจิตใจเป็น ยิ่งทําเท่าไหร่นานเท่าไหร่ทั้งคืนก็ยิ่งดียิ่งประเสริฐเลอเลิศกว่าไม่ ให้รู้ไว้ที่ใจเป็นต้น ก็ไม่ทุกบทรู้อยู่ที่ปากแต่กําหนด การระลึกด้วยใจไปสู่ครองและแนวทางแห่งความสงบ ความยิ่งสวดยิ่งสงบถ้าใจออกมาจากตัวรู้ออกมาจากใจแล้วความสงบไม่มีมีก็ไม่มากขึ้นยิ่ง ถ้าใครล้อมความรู้ไว้ในจิต ที่วาจากล่าวถึงนั่นแหละเป็นธรรมมานุสติอยู่ สามารถแม้ร้อนมาวุ่นวายก็ให้สงบเย็นลงไปได้ให้สงบเย็นลงไป ไม่เกิดความท้อแท้ดังนั้นแหละ เป็นและเป็นเครื่องอยู่ของโดยเฉพาะคือจิตใจของเราก่อมเกลานะเป็นเครื่องอยู่ นามภายในจิตใจของหลักรู้ไว้ณภายในภายในจิต เพราะฉะนั้นรวมความแล้วว่าการ เราไม่รู้ที่เอาตั้งอ่ะประโยชน์จากการธรรมนั้นจริงไม่เกิดขึ้นประโยชน์จากการธรรมที่จะเกิดขึ้นก็ดังที่กล่าวถ้าเราตั้งความรู้ในสิ่งที่เรากระทําแม้เป็นเรื่องภายนอกคือกายและวาจาไว้ณภาย สิ่งที่เราทําไปโดยลําดับลําดับ สิ่งที่มากระทบสัมผัสเพียงอย่าง จะมากมายไก่กองเพียงใด แต่เรื่องของพระธรรมนั้นมีอยู่เพียงหนึ่งเดียวและเราก็รู้อยู่ในใจเพียงหนึ่งเดียวสวดคําไหนรู้คํานั้นสวดคําไหนรู้คํานั้นไม่รู้มากคําไม่ แต่แล่นไปรู้ในอนาคตที่เราจะสวดต้องสวดอย่างนั้นสวดไปแล้ว เลยก่ายเลยวาจาที่กําลังประคองอัญชลีปากก็กําลังกล่าวธรรมอยู่แต่ผู้รู้นั้นแล่นไปข้างหน้าบ้างถอยมาข้างหลังบ้างอย่าว่าแต่ไม่ การทําในลักษณะอย่างนี้เนี่ยทําไป แต่แล้วก็ทําอยู่ไม่ได้สิ่งภายนอกเป็นของที่ไม่มีค่า ถ้าเราไม่มีตาคือปัญญาแล้วมันก็ทําก็ดีทั้งๆที่พระพุทธเจ้า พุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติเป็นต้นในขณะที่เรา ปล่อยที่มันเกิดขึ้นจากการกระทําพูดและคิดนั้นของการปล่อยความดีที่มันนึก อยากจะได้บุญจะได้บุญเพราะเจริญธรรมอนุสติ มานึกมาปรุงมาแต่งเพื่อจะ เราทำไมไม่ทำให้มันเป็น ถ้ามันเป็นเพราะฉะนั้นมันจะ วาจาของเรากล่าวทําแล้วก็การกล่าวทําในวาจา อย่าให้ละลึกนึกถึงเป็นเรื่องอื่นและให้อยู่ภายในจิตใจของเราท่านทั้งหลายนึกถึง <c oughs> ท่านแสดงไว้ในสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนา ท่านที่ลงไปก็หมายถึงใจที่มี นี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลนี่ไม่ใช่กุศลและ เป็นสิ่งที่เราจะตามรู้เห็น ปัจจุบันเครื่องละลึกรู้ของเราก็อ่อนมากรู้ของเรา